นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมะธัมมังธังนะมัสสาอิโตางเพังธัมโมสตโตีเาิทุกคนอาพุทธิัทั้งหลายทั้งุสมม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 มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต้นและประโยชน์พวกคนอื่นเสมอไปอสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทําไมไม่ถึงสบายใจสบายใจเพราะว่า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 เมื่อเราฟังแล้วนะไม่ใช่เราบรรลุทีเดียวนะไม่ใช่มรรลุทีเดียวเปรียดไปฟังง่ายๆธรรมะนี้เหมือนกันกันกบผลไม้วางอย่างซึ่งเรไปบ้านญาติบ้านเพื่อนนิพนธ์ได้เาเอาผลไม้ฝากเราเอาผลไม้ฝาก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 ปริยัติก็คือการเรียนรู้ปฏิบัติรู้แล้วมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอืมตามความเป็นจริงอันนี้ก็มันกันฉันนั้นมันเราไรผลไมา้มาจากเพื่อนจากญาติด้วยมือตนเอง่ได้มาแล้วก็ยังไม่รู้รสมันบอกมันเปรี้ยวมันหวานฉันนั้นตรงมันกัน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 ที่เราให้ไปแรกวก็ยังบอกไปยังขออีกเนยอย่างน้อยก็ต้องขอให้ น, น, นานๆขอเอาความชั่วไว้ขอเอาความผิดไว้ขอเอาอะไรความยุ่งยากไว้หลายอย่างซึ่งพวกเราทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงสังถินอัตมาเคยเด็ดพบลูกจิตทางชาวตะวันตก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 ไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทยเราเห็นพระเห็นเนนเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งควงระมัวสูงบนยสิงทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นอาตมากเเ็เลยแก้อาหารแก้ปัญหานี่เป็นฟงางๆไปโย ม, อมเอาขนาดนั้นเถิดเดือด คนอื่นข้าแล้วกินกันไม่ได้เลยลองเท้าของโยมนี่ใส่มาทำไมหนอหนังสัตว์นี่ฝักมีดเน่ยเนี่ยรับมีดกันอืมกระเป๋าสตางค์นั่เนี่ยหนังสัตว์ทั้งนั้นแหละจะมากแก้เกลือกปนไปทั้งนั้นเลย ก, ก, กไนนย็ไม่มีอะไร น, นี่ก็ส่วงเสืออมีเขาทำเหมือนกันไอความไปกินกระบมาทางว่ะ ประเทศไทยเมืองไทยนี่เขาทำกันมาอย่างนี้นานแล้วอันนี้ให้พูดเป็นส่วนบุคคลซะดีกว่าแต่เราเห็นโทษเราก็เริกมันซะดีกว่าอันนี้จะไม่มีภาระอะไรมาก ม, มันจะนน้อยลงเราไม่ต้องยุ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังอ่ะให้เราไปพิจารณาดูทางชาวตะวันตกถ้าเขาถึงพระ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 เมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้ามกบโกโรธให้ก็โ ก, โกโรธโดยว่ากรรมฐ า, านะเคยพูดมากแต่ว่าคนโกโรธกรรมฐ า, านะนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะสงสารที่สุดเพราะว่าพระเนรนี้ตัวอาตมาเองน่ะ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 จะต้องสงเคราะหา์ญาติโยมในทางที่มันถูกไอ้ความถูกความผิดนี่อย่ามาเห็นกันสิเนี่ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการขัดไปได้อย่างอืมอันนี้ตั้งแต่ครั้งท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ใออกประกาศกาศาสนาเข้าบ้านไหนนันแตกบ้านนั่นเนี่ยสมเด็จ ท่านสมเด็จฟังเ อ, อท่านมั่นท่านเสาเนี่ยให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลงเกลียวกันทําไมเขาไปบ้านไหนแตกบ้านนั่นเลยเนี่ยท่านพูดตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทําไมไมันจึงเป็นอย่างนั้นอืท่านสมเด็จมหาวิทยาลัยว ง, วงองค์กรเนี่ย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 เท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทา้งบ้านทางเมืองเลยคนจะคิดว่าเออมันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นนะ่ไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นที่มันมีทีดิ้ต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ใส่หรือไม่มันก็ไม่เห็นความจริงมันจ้ะธรรมะนี่ก็มันกันฉันนั้นอนะทุกวันนี้เราอยู่ในธรรมะกรจายมันอยู่ในธรรมะ เราอยู่ด้วยธรรมะกันธรมมนรมะคือความที่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าธรรมะคือความที่ถูกต้องเราอยู่ในความถูกต้องกันมันถึงสบายถ้าเราอยู่ในความไม่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจอยู่ยากอยู่ลําบากเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่อยู่ตามธรรมะเพราะไม่มีธรรมะในใจของเราทุกสิ่งทุกส่วนนั้นแหนละธรรมะเป็นที่พื้นของเรา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 อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอมเนี่ยเช่นว่าแดนนาเราเป็นต้นพ่อแม่ทํำให้อคดๆง อ, งอเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปบนมาเนี่นี่ตาแก่คนหนึ่งเอออย่าทำนี่เธอเพื่อนนาะยมันตัดให้มันตรงเถอะนะไม่เอามันงออย่างเห็มันงอยยนงอย่างนี้เนะี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะอจะไปทํามันทําไม อย่างนี้เป็นต้นนะอืมอันนี้เป็นมกานชั้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะอมนะจะมาทําทำไมนี่ทําเพื่อประโยชน์นะทําเพื่อประโยชน์ตนทําเพื่อประโยชน์คนอื่นถึงท่านอาจารย์ดิษจะมาทําสัพพายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมา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 เรามากๆอยู่ในใจคนก็นึกว่าพระจะมากๆอะไรอันนี้นี่ต้องวัดตัวตัวจะของถึงนั้นไอความจริงๆนั้นอยู่ไปนานๆ ท, ที่จิจนาณานานแต่ดูเหตุผลดีๆทีทอ่อัตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงได้ถวายที่นี่แกท่านพระครูดูเรศีจรารณาให้มันสะดวกให้มันสบาย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 ไม่รู้สึกความผิดชอบอะไรต่างๆนั่นเหมือนกันกษัตริย์ท่านที่ว่าคนตายแล้วอัปมาโทมัจจิโนประชัะงคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วเราหายใจอยู่นู้นว่าเราไม่ตายตายเยอะแยะไปแล้วตายจากคุณงามความดีตายจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ตายจากมนุษย์จิตอันนี้มันตายไอ้ความเกิดแก่เก็บตายนี่ไอ้ร่างกายเนี่ยแต่ม า, ามันยากหรอก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 เห็นมาแตเราแก่แล้วเฒ่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายดูใจไม่มีดูเรื่องจิดนี้มันเป็นของสําคัญมากเป็นปรมัตรธรรมอืมฉะนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดอืมฉะนั้นอาตมาจริงเห็นว่าพุทธบริษัทเหล่านี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอานิจังมันไม่เที่ยง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 ไอ้มึงไปอืมพวกมึนไปวัดป่ามงตายก่จไปเอวิยามมันตปหมดไม่ถึงกี่เรือนเนี่ยตายได้ธรรมาเมียเราไปใชมอือเจกกรเจกกนเนี่ยเล่าน่นพระพุทธเจ้าในสันหามันมันไปของเบียดเวียนศาสนาไปเราปักกันไปจินในีมันหมดตายก่อนเล่าไม่หมดเดี๋ยวนี้เนี่ย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 เห็นนาลกในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์นในปัจจุบันนี้เห็นปานิพันในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายเพื่ถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอจีตธาธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุปปนาธรรมะนะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเอเราจะคุกทั้งผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้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 ไม่มีวันจะสร้างคนงามความดีขึ้นเลยเพราะก็ไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันไอฉะ น, นั้นการฟังธรรมะนั้นทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่า ง, งไม่ต้องมากไม้อะไรไม่ต้องปะเดี๋ยวอะไรมันมากนายโยมอันนี้มันผิดเดี๋ยวเราละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราก็ประพฤติปฏิบัติมันทีนี่อย่างฉันตรวจสอบประปาปัสชะอาการะังกุศลสุภะสัมปทาสกิจตะประโยชตะปนัง